สวัสดีครับผมออฟทิวสิทธ์เรือนสอนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดผิวใสนะครับโดยไม่ต้องพึ่งแอสเพชั่นครับผมนี่เลยเซรั่มฟองเบียผสมน้าพึ่งด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะครับยอดข้าวบาเล่รอน้าพึ่งเดือนห้าสูตรเข้มข้นจะช่วยบำรุงผิวของคุณเนี่ยให้ผิวคุณกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำ แล้วก็ชะลอริ้วรอยต่างๆนะครับแล้วที่สำคัญนะครับทำให้หน้าคุณดูเด็กแล้วก็อ่อนกว่าวัยด้วยนะครับเซรั่มฟองเบียผสมน้ำผึ้งเปิดความกระจ่างใสให้กับผิวคุณโดอไม่ต้องพึ่งแอป แ, แมนๆอย่างเราเนี่ยหน้าใสได้